ขอโน้มนาบุญกับเจ้าภาพกรถินด้วยทิวสาตั้งใจมาเพราะว่าบุญกรถินเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือทําให้เกิดความสามคัคคีในหมู่คณะสงฆ์และคณะญาติโยมพระถ้าเกิดเราไม่มีความสามัคคีเนี่ยงานกรถินก็ไม่สามารถสําเร็จรูปล่วงได้จุดประสงค์จริงก็คือความสามัคคีเพราะความสามัคคีเนี่ยนำมาซึ่ความสุขแต่ จะมีความสามัคคีกันได้เนี่ยก็ต้องมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วยก็ต้องมีทาที่ยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นอย่างสังหาวัตถุสี่เนี่ยคือหนึ่งการให้ทานเราก็แบบมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของเนี่ยก็สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อวัญญาเป็นเด็กๆนะ หลวงพ่อวัญญาเนี่ยจะเบื่อมากเลยเวลาโยมพ่อโยมแม่เนี่ยทำแกงทำขนมเนี่ยจะใช้หลวงพ่อวัญญาเนี่ยนำแกงเอาไปแจกเพื่อนบ้านแล้วหมู่บ้านนั้นก็ก็ใหญ่กว่าจะเดินแจกทั่วถึงเนี่ยก็เหนื่อยหลวงพ่อวัญญาสมัยเด็กชื่อว่าเด็กชายปันท่านก็ระลึกความหลังแต่เล่าให้ฟังเนี่ยคือพ่อแม่หลวงพ่อวัญญาเนี่ยเป็นคนธรรมะธรมโมเป็นคนใจบุญได้ปลามา บางทีได้มามากมายนยก็แบ่งกันไปกองกองให้เด็กชายปั่นนำไปแจกมีวัวมีควายเพื่อนบ้านเดือดร้อนก็มาข อ, อยืมวัวควายไปไถนาก่อนก็ใจดีให้มีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดเลยแถวแถวภาคใต้เนี่ยบางทีก็มีโจรรั ก, กวายรักวัวนะแต่แต่บ้านของหลวงพ่อปัญญาเนี่ยไม่มีใครรักเลยเพอบางครั้งโจรมาที่บ้านเนี่ย ก็ต้อนรับเอาน้ำเอกข้าวให้กินอะไรเงี้ยเขาก็สำนึกบุญคุณมีแต่คนรักด้วยนที่ส่งอันนี้แหละท้าวหลวงพ่ อ, อวัญญาเดี๋ยวบวชตลอดชีวิตเลยตอนโตซึมซาบความดีจากพ่อแม่หลวงพ่ อ, อวัญญาก็รักสังขารเมื่ออายุ94ปีท่านก็เป็นนักเทศชื่อดังพวกญาติโยมคนรู้จักอันนี้คืออันที่ส่งของการทำทานมีน้ำใจข้อที่สอง ปิยวาจาคือการพูดจาอ่อนน้อมพูดจาชักชวนให้เกิดประโยชน์วาจาบางครั้งเราไม่จำเป็นจะพูดหวานเจี๊ยบหรอกแต่ผู้สิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยก็สามารถช่วยคนได้วาจาที่เกิดจากความจริงใจอย่างที่จังหวัดอุดรเนี่ยมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านจะไม่มีความทุกข์เลยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านจะหลุดปากออกมาว่าก็ดีเนาะท่านจะพูดอยู่เรื่อย จนติดปากไปที่สายจนชาวบ้านเนี่ยขานนาไม่ท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะต่อหลังองค์ในหลวงเสด็จไปที่วดอนเนี่ยก็ตั้งขยายให้ท่านเนี่ยเป็นพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุทานธรรมวาทีก็แปลว่าผู้บี ว, วาจาภัเลาะหรือดีนอ้นั่นเองมีลูกศิษย์เนี่ยนิมนต์ไปฉันเพที่บ้านบ้านลูกศิษย์อยู่ไกลนะหลวงพ่อท่านก็นตั้งใจวันนี้จะรีบเดินทางไอ้เช้าเนี่ย บินาบาทมาก็เดี๋ยวไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะเพ อ, เอรถอะรถเสียรอเท่าไหร่ลูกศิษย์ก็ไม่มาทีหลวงพ่อก็นําอาหารที่ตัวเองเก็บมาแล้วแล้วก็บอกว่าก็ดีเนาะฉันอาหารเราเองก็ได้ตักอาหารเข้าปากได้ไม่กี่คําลูกศิษย์ขับรถมาถึงแล้วก็เร่งให้หลวงหลวงพ่อต้องรีบไปหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ได้ ยังไม่ได้ฉันข้าวนะฉันไม่กี่คำเองพอรถวิ่งไปสักพักหนึ่งรถก็เสียลูกศิษย์ลงไปซ่อมหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางลูกศิษย์ซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ติดก็เลยให้หลวงพ่อเนี่ยลงมาช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนั้นก็อายุมากแล้วหลวงพ่อไปช่วยเข็นรถหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะจะได้ออกกำลังกายก็เข็นจนรถติดแล้วแหละไปถึงบ้านงานเลยเวลาฉันเพลง หลวงพ่อก็เลยอดฉันเลยทั้งเช้าทั้งเพนไปถึงเจ้าภาพก็นิมนต์นขึ้นธรรมะแสดงธรรมหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยหลวงพ่อพุทธมาอยู่ลูกศิษย์เป็นห่วงหลวงพ่อรีบไปชงกาแฟมาถวายด้วยคว า, ามรีบร้อนก็เลยนำเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อฉันไปได้คำหนึง่งก็ดีเนาะเปลี่ยนรสชาติ เคยฉันกาแฟวหวานๆมามากแล้วฉันไปครึ่งแก้วก็วางไว้ลูกศิษย์เนี่ยถือว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ไปเกียจจีอาจารย์ชื่อดังเนี่ยถ้าได้ทานของเหลือจะเป็นมงคลจึงมาขอทานกาแฟที่เหลือต่อทานมาได้คำหนึ่งพ่น พ, นพวดออกมาเลยบอกเคไม่ ป, ปีฉันไม่ได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรคือหลวงพ่อได้มองโลกในแงด่ดีอะไรก็ดีน้อยหด แต่เหตุการณ์ที่สร้างชื่อให้ท่านก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งโจรโจรเนี่ยมาปล้นท่านคือโจรเขาสืบไปแล้วว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังคงจะมีทรัพย์สมบัติเยอะอ่ะมีของเยอะโจรก็มาตอนกลางคืนนั่นแหละตอนที่ท่านกำลังไหว้พระส่วนบนต่ะมาถึงก็คมคูเลยหลวงพ่อมีของเท่าไรมาให้หมดนี่คือการปล้นญาัิคืนหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้ม ไม่ได้กลัวโจเลยแม้นิดเดียวก็ดีเนาะเอ็งอยากจะเอาอะไรเอาไปเลยค่าหน่ะเบื่อเฝ้าสมบัติว่าบ้านนี้มานานแล้วอยากได้เลยเอาไปหมดโจมันก็พูดคุยอย่างนะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้มามาแค่ปล้นนะจะมาฆ่าหลวงพ่อด้วยปิดปากหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะเอ็งค่าฆ่าก็ดีค่าแก่แล้วอยู่ต้องดูแลรักษาร่างกายที่เสื่อมโทรมลงทุกวันโจได้ฟังนั้นก็ใจอ่อน จึงพูดขึ้นบอกว่าฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงพ่อก็บอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจมันก็บอกหลวงพ่อจะเอาไงฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยตำรวจก็ต้องตามจับเผลอเองก็โดนตำรวจยิงตายตายไปแล้วก็ต้องไปตกแล้ลบหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเองไม่ฆ่าฆ่าจึงดีเนาะโจได้ฟังนั้นก็ได้คิด ก็เลยวันนั้นกลับไปมือเปล่าเลยไม่ป้นแล้วก็ไม่ฆ่าอันนี้การมองโลกในแง่ดีแล้วก็การที่มีคาพูดที่แบบยังไงล่ะคพูดที่แบบให้กำลังใจคำพูดที่สร้างสารรค์คำพูดดีเนาะคาเดียวเนี่ยช่วยได้ทุกเรื่องโยมรอรถติดนานรถไม่มาก็ดีเนาะเจอใครดา่าพ่อแม่ด่าสามีดาภรรยาดา่าก็ดีเนาะแก้ได้ช่วยได้ เจออะไรที่ขัดใจอ่ะเจอแบบหัวหน้าดาหรือเพื่อนขัดใจทําอะไรไม่ได้ยังใจเนี่ยก็ดีเนาะเพราะบางทีเราอยู่ใต้กฎของธรรมชาติดินฟ้าอากาศไม่ได้เป็นดังใจเราหรอกเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนถ้าเราคิดว่าดีเนาะเสมอเนี่ยมันช่วยได้ทําให้ทุกข์น้อยลงมีประโยชน์อันมาก็ใช้อยู่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรขัดใจก็ดีเนาะอันนี้คือปิยวาจาคือการพูดดี มาข้อที่สามอัฏฐจนิยาคือทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไอการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยท้ายคุยอยูรักนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราสังเกต น, นะแล้วคนที่ไม่บําเพเ็ญตดกับคนอื่นเนี่ยคนไม่ค่อยรักหรอกมีเรื่องเล่า ว, ว่าอาดีตอันไกลโพ้นเนี่ยมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามาัคคามานพมัคคามานพเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็ ง, ขงมีวันนึงนะ แกไปนั่งพักใต้ต้นไม้เห็นต้นไม้ลกไปหมดเลย mm hmm. ก็เลยทําความสะอาด mm hmm. คือทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถมานอนเล่นได้นะทําเสร็จว่าจะพักซะหน่อยก็มีคนมาแย่งที่มานอนพักแทนซะละ mm hmm. แกก็แทนที่จะโกรธนะที่จริงตามหลักคนอื่นนะ่าจะโกรธละแต่ก็ไม่โกรธแกก็ไปทําต้นอื่ น, นที่ว่าไกลห่างไกลจากต้นนั้นไประยะหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ก็ไปทําใหม่ทําอีกคนก็มาพักอีก แกก็ดีใจนะว่าเออคนคนอื่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากการที่แกอุตส่าห์ลงแรงไว้อ่ะก็พึ่มใจพอตอนหลังเนี่ยก็เลยไปทำอีกหลายต้นเลยทำเสร็จไม่พอนะก็ยังหาน้ำคือหาแบบโอ่งเล็กๆอะ่ะใส่น้ำไว้เผื่อใครที่สัญจรผ่านมาหิวน้ำเหนื่อยก็มานอนพักแกก็มีความสุขตอนหลังก็เห็นถนนหนทางเนี่ยลกแล้วก็ทางเดินแคบ ถนนมีหลุมมีบอ่อเดินทางสัญจรไม่สะดวกยามบ้า ง, างมะขามานบ๊เนี่ยแกก็พยายามเกี่ยดินให้เสมอขยายถนนให้ใหญ่ขึ้นเห็นกิ่งไม้ที่เป็นหนามเปอะไระก็เอาออกให้คนเดินสะดวกทำอย่างนี้ประจําจนเพื่อนบ้านน่ยสงสัยก็เลยมาถามว่าทำํทำไปทําไมทําเพื่ออะไรมะขามานบ๊ก็บอกว่าทําเพื่อไปสู่ทางสวรรค์เพื่อก็สงสัยอีก ทางไปสู่ทางสวรรค์ทำอย่างนี้ได้งไงก็ <ST AN K> อบอกว่าทุกคนเนี่ยที่มาใช้ประโยชน์จากไม่ว่าจะเป็นพักใต้ต้นไม้หรือเดิ น, นถนนขนทางเนี่ยทุกคนก็จะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยการที่คนให้พร อ, อนุโมทนาบุญกับผู้ทำเนี่ยทุกทางที่อนุโมทนาอันนี้พุกโยมสังเกตไหมคนที่ทําความดีเนี่ยคนก็สาธุชื่นชมนย อันนี้มีพลังนะเป็นบุญนะแต่ถ้าคนที่ทําไม่ดีเนี่ยคนก็แช่งเมื่อไหร่จะได้ตายในในในในทีบางคนก็ทําบาปอ่ะผู้ใหญ่ก็แช่งคนลูกก็แช่งอันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยเจเริญตกอับคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยมักจะขอพอจากผู้ใหญ่นะพ่อแม่ให้พอลูกหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาถือว่าการให้พอเนี่ยเป็นมงคลแต่เขากลัวคาสาบเหมือนกันนะบางทีลือศีษาบไม่สวยเลยเขากลัวคำสาบมากพ่อแม่สาบลูกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตจะอับโมบงคลเขายังกลัวกันไอ้ชายหนุ่มที่มาถามเนี่ยก็เห็นดีด้วยก็เลยมาเป็นเพื่อนช่วยกันทำตอนหลังก็ได้เพื่อนร่วมทำงานอ่ะสามสามคนช่วยกันทำความสะอาดถนนทาให้พัฒนาให้เจริญเนี่ยจนแบบถนนสัญจรไปมาสะดวกผู้ใหญ่บ้านก็สงสัยก็มาถามว่าพวกเองเนี่ยใช้เวลา แบบนี้ทำไมไม่ไปล่าสัตว์ไปทำมาหากินอะไรเงี้ยมาคมาญญรบก็อธิบายให้ฟังถึงประโยชน์ผู้ใหญ่บ้านโกรธมากเลยเห็นว่านี่เด็กเมื่อวานสื่อมาสอนจะต้องถ่ายพู้ดีชิบหายก็ไปฟ้องพระราชาบอกว่าพวกนี้สามสามคนเป็นโจรพระราชาหูเบาก็หลงเชื่อสั่งให้ประหารโดยไม่ไต่สวนให้ช้างมาเหยียบให้จับพวกชายสามสามคนเนี่ยนอนลงกับพื้นแล้วก็ให้ช้างเหยียบ มาคามานพเนี่ยก็ดีฐานจิตถึงความดีต่างๆเนี่ยความเมตตาไอ้ไอเกิดจากใจจริงเนี่ยทําให้ช้างเนี่ยไม่เหยียบช้างเนี่ช้างดุนะไม่ยอมเหยียบเลยแม้แต่คนเดียวโจตหลังพระราชาสงสัยก็เลยรู้ความจริงว่าผู้ใหญ่บ้านน่ยโกหกก็เลยปลดผู้ใหญ่บ้านออกแล้วก็ตั้งให้มาคามานพเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนแกนผู้ใหญ่บ้านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยรักษาศีลรักษาศีลห้านี่แหละ ทำบุญสุนทานและช่วยเหลือผู้คนจนตลอดชีวิตคันตายไปก็เกิดเป็นทาส ก, กะหรือพระอินเนี่ยมีบริวารมากมายอันนี้พ่อที่ส่งของการทำความดีแล้วก็แบ่งปันความดีช่วยให้คนอื่นได้ทำความดีด้วยพระบุญเนี่ยแบ่งไม่หมดนะอย่าพวกโยมเนี่ยมาทําบุญถ้าทำคนเดียวน่ยบุญน้อยแต่เราบอกบุญต่อตอไปโยมก็มาทําบุญกันมากขึ้นมากขึ้นความดีก็ต่อความดี ทำให้คนเข้ามาหาวัดมาฟังธรรมมาให้ทานรักษาศีลทำบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่สงกับส่วนรวมทำให้มีความดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือบุญข้อที่สามอาจาจะนิยาประเพลประโยชน์กับคนอื่นบุญข้อที่สี่ก็คือสมานัตาตาข้อนี้นะ่ก็คือการวางตัวให้เหมาะสม หรือทำาฟามดีเสมอต้นเสมอปลายอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเกิดขึ้นกับใครเนี่ย <c oughs> ก็จะมีคนรัก <c oughs> แบบว่าตอนได้ดิบได้ดี <c oughs> ก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมตนคือว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราก็อ่อนน้อมยกมือไหว้เคารพให้เกียรติให้เกียรติเพื่อนทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคือการที่ว่าวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ เรื่องการศึกษาที่สําคัญนะถ้าคนไม่รู้การศสกษาเนี่ยไปที่ไหนคนก็รังเกียจคนก็ไม่รักแต่ถ้ารู้การศึาษาทําอะไรควรไม่ควรเนี่ยเพื่อนก็รักเราไม่รู้เราก็ถามผู้รู้อะไรเงี้ยถ้าใครมีสังฆะวัตถุสี่ข้อเนี่ยความสามัคคีจะเกิดขึ้นคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างบุญกะถินเนี่ยสำเร็จด้วยเพราะอาศัยสังฆะวัตถุสี่เนี่ยมีส่วนมากเลยแหละอย่างเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเหมนขี้หน้ากันเนี่ย เราก็ไม่มีความสุขและวขาดความสามาัคคีแต่ถ้าเรามีความสามัคคีกันเวลามีโจรมีขโมยมา <_ d ata> เพื่อนบ้านก็บอกแล้วห้องแทาไม่ล็อกกุญแจเลย <_ d ata> เพื่อนบ้านจะดูให้แต่ถ้าเกิดไม่มีความสามาัคคีต่อยล็อกกุญแจแน่นหนให้ไหนโจรมันก็เข้ามาอัดของเพราะสมัยนี้คนเราเนี่ยในเมืองในเห็นกล้ตัวบ้านใครบ้านมันบางทีอยู่บ้านติดกันยังไม่พูดกันก็มีเลยไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อจะเป็นหลวงพ่อปัญญาตอนเด็กๆเนี่ย มีของเข้าไปแบ่งให้พอตอนหลังโคดิเข้ามาเขาเอาของมาให้เราเหมือนกันยิ่งให้ก็ยิ่งได้กินไม่หมดเราให้เขาเขาให้เราอันนี้คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราอันนี้เป็นบุญที่ทุกคนเนี่ยสามารถพึ่งได้และเห็นจริงด้วยอันมาพูดมาเนี่ก็เห็นว่าสมควรเกี่ยับเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้บุญที่พวกโยมได้ทําในวันนี้นหละจง ทำให้โยมเนี่ยมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกก็ททางธรรมที่สิ่งใดถูกต้องก็ขอสมปรนาขอจบลงแค่นี้ต่อไปก็จะให้พรเป็นภาษาบมมาลีโยมก็ตั้งใจรับพรยะถาวารีวหาปุราปาริปุเรนตีสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจัปป น, ญญาทานโทปนารโสยะธาเมณิโชติราโสยะธาติโยวิวาชันตุสาพาโลโค ว, วินาสตุมาเตภะตะลาโยสุขิธีขายุโกภาวะพิวัฒานาสิริ สนิจังตาปะจายโนะจัตตาโลธรร ม, มวะวันฐาอายุวันโนสุขัง พาลังกาเลททธานติสะปัญญาวาทันโยวิตมาชะลากาเลนาทินังอริเยสุชุบุเตสุตาทิสุวิปัสสนามานาตาสาวิปูลาโหติทักคินาเยตาทานุโม สันติเวยาวาจังกะโลนติวานาเตนัทาคินาอุนาเตปิปุญญาสภะคีโนตัสมาทะเทอัปปติวานเจโตยัสธินามหาพลังยานิปรัโลกัสสิปัติธาหุนติปานินันติ ภาวตุสะพมังครังลาขันตุสพระเทวตาสะพะพุทธานุภาเวนะสทาโสติพวันตุเตพวตูสพมังคาังลาขันตุสพระเทวตาสะพระธรรมา นุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภา ว, ต, ต, าวตุสาภาังคารังขันตุสาภาเท ว, วตาสาภาสังคานุภาเวนัสธาโสตีภาวันตุเต